ฟังเทศเรื่องพระรัตนตรัยต่อที่เทศมาเรื่องคุณพุทธพระธรรมประศก็คงเข้าใจกันดีแล้วโดยเฉพาะพระพุทธเจ้ารวบรวมได้ดิเรียกว่ามีพระคุณเก้าบทมีอิติเออิติพิธโธพระขวารหังสมาสุโทโธเป็นต้น พธอธรรมมีหกบทมีสวดคาโตรระปะกุตาธมมเป็นต้นพระสองม้แปดบทมีสุปฏิปโนเป็นต้นไปอันนี้จะรวมเนีกว่ารวบรวม ถ้าหากว่าทำมากคำสอนพุทธเจ้าน่ยมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นกระจายออกไปกรงก้วงแม้ก็มาสรุปลงยอดรวบยอดลงไปทีนึ่งแล้วก็แสดงออกไปกรงก้วงแล้วกรวบยอดออไปอีกแห่งหนึ่งถ้าคนรวบไม่เป็นรวบรวบไม่เป็นและเชื่อฟังเทศไม่ถูก แช่พวกข้อจะควม ร, รมะมาไม่ได้ต้องเป็นนั้นมดทุกแห่งทุกคนพยายนาตามเป็นจริงนะไม่นหนีจากหลักนี้อันนี้กมือนกันเนี่ยพูดธประทรามประสรงรวมลงไว้เป็นอันเดียวจะเรียกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆจาติ น า, นาหนตามปีวัุโตอัญญมัญญาวิโยาวะเอกีภูตัมปนตมัตตะโทบุตโธธรรมะสโบเทตตาธโมสังเคณธาริโตสังโคจสาวะโคพุทธะอิเจตังรัตนาตะยัง แต่เนื้อความเน้นว่าพุทโธธรมสังโฆจาตินานาหนติบบียวทุโตขันว่าโดยพโดยวัตถุคือว่าตามวัตถุแล้วมีสามอย่างพระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสองฆ์หนึ่งมีสามอย่างโดยวัตถุอัญญามัญาเวกุวิ โยกาวะเอเกีภูตัมปนัตโตคันว่าโดยอัดโดยเนื้อความเนื้อสรุปลงเป็นอันเดียวกันคือพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ อ, อาศัยพระธรรมเปียงเครื่อง ที่ทางแนะนำตเตือนพระธรรมในที่นี่นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นใหญ่เป็นโตกลัวพระธรรมพระธรรมย่อมมีอยู่ทั่วไปหมดทุกแห่งทุกหนอย่างศาสนากิตเตียนนั่นเนี่ยเขาบอกว่าคุณได้เจ้ามีแทรกอยู่ทุกคุ้มขน มีแทรกอยู่ทุกแข่งทุกคนคล้ายๆกันนะับศาสนากิจเตียนเศ็ษฐาสนากิจเตียนไมะเจ้าไม่ได้นามาสอนไม่ได้ดสอนบุคคลให้ตับสุรู่มคนนิพพานเป็นแต่แทรกในบุคคลเท่านั้นในสิ่งนั้น าคนใดขยันมันเพียรคนในกราบไปวบูชาพระเจ้าจะคอยช่วยถ้าคนขี้เกียจขี้ค้านนะพระเจ้าไม่ช่วยก็ตนเองอนะช่วยตนเองไม่ใช่พระเจ้าหรอกความเป็นจริงอะตนเองนะ่ะเป็นคนขยันมันเพียรถ้ามาหากินยังซีบโดยสุจริตเราเนะินเป็นคนได้ แต่เขาว่าหาว่าพระเจ้าเป็นคนช่วยเอาพระเจ้ามาเชื่อไว้พระเจ้าเป็นคนช่วยเชื่อพระเจ้านั่นนะเมื่อพระเจ้าช่วยกับขยันมันเพีย่นสิถ้าไม่ขยันมันเพียง ข, งนขนยยงี้เกียจคลางพระเจ้าไม่ช่วยกัขยันก็มันก็เลยรวยทันทีอันนี้พระพุทธเจ้าทำานเทศนาอย่างนั้น พระเดกยาพระธรรมนั้นแนะนําตักเตือนห้ามสอนให้รู้จักทำดีทำชั่วไม่ใช่ไปเจ้าไม่ใช่พระธรรมมามาช่วยหรอือแต่พระธรรมเป็นคนแนะนําตักเตือนสั่งสอนแกงว่าพระพุทธเจ้านั้นจะตักสรู้เป็นพระพุทธเจ้ได้ก็เพราะพระธรรมนั่นนหะไม่แนะนําตักเตือนสั่งสอนชี้แจง แดงให้เห็นทนทางอันนี้พระสงฆ์ะนี่ผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามคำสอของพระพุทธเจา้าถ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ถามแล้วท่านรู้จักเห็นว่าผิดว่าถูกว่าเดียวชั่ว ถ้ยังค่อยนำมันนั้นแหละทำมะนะมาสอนู้จักกีดจ๊กถั่วดีรู้จักดี จ, ก, ดดด จ, ก, ดจกชั่วถ้าพุทธเจ้าไม่นำพนระธรรมมาสอนพระสงฆ์ก็ไม่รู้ทางปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติให้ถูกต้องได้ตกลงว่าพระสงฆ์ก่ออาศัยพระธรรมคือคำสอนของพรพุทธเจ้า แล้วยังค่อยปฏิบัติให้ถูกต้องถูกทางจึงว่าโดยอัดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันพูดพระธรรมพระสงค์อันเดียวกันการปฏิบัติในการที่จะรู้จักพูดพระธรรมพระสงค์เป็นอันเดียวมันต้องปฏิบัติเสียก่อนผู้ปฏิบัติเห็นจริงรู้จริงยังค่อยรู้จักเรื่องเหล่านี้ อ้าหากไม่ปฏิบัติรู้ไดตนเองเขาต้องเป็นสองต้องเป็นสามอย่างนั่นเนี่ยการที่จะให้เป็นปฏิบัติให้เป็นไปก็ปฏิบัติพระธรรมนั่นเราปฏิบัติทุกวันถึงวันนี้ก็ปฏิบัติพระธรรมนั่นคือรูปธรรมนามธรรมเราปฏิบัติเบื้องตนเอาพุทโธมาเป็นมาเป็นปริกรรม เอาผู้ได้เจ้าเป็นปริกรรมให้จิตอยู่แนวกับพุโทโธอันเดียวนิ่งแนวอยู่ในพุโทโธนั่นแหละเชื่อว่าพระพู้ได้เจ้าเป็นผู้ดีวิเศษสูงสุดเราจึงเอาผู้ได้เจ้าเป็นปริกรรมถ้าเมื่อปริกรรมเป็นไปแล้วขานี้พุโทโธได้หาไปคือมันไม่ปรากฏยังเหลือแต่พระธรรม รู้เห็นเห็นตัวจิตตัวเราด่านะ่ะเห็นกายเห็นใจของเรานะเรียวกว่ามีเตยประธรรมเรากติบาติอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าตัวงเราก็เป็นพระสงฆ์แล้วนะพระสงฆ์ที่นี่ไม่ได้หมายเอาผู้บวชในศาสนา มันไปชาเป็นสามเณรแล้วบวชเป็นบวชสมวูรณ์เป็นภิกษุจังเรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์นั่นเนีหมายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นไปเพื่อผนจากถูกเป็นไปเพื่อนากาบไว้ในบูชาอันนั้นแหละเป็นพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเป็นสงเลย เป็นพระคือมาในตัวพระทางกายพระทางวาจาพระทางใจลองดูข้อหาปฏิบัติดีลองปฏิบัติดีในที่นี่เนะี่ยต้องดีทุกอย่างงั้นเดียวปฏิบัติดีทางกายทังวาจาและทางใจเชื่อปฏิบัติตรงทำปฏิบัติเดียวต้องตรงทีเดียว กา ย, ยางไงวาจ า, างงั้นวาจางในกายอย่างนั้นกายว่าจางในใจอย่างนั้นมันกลงไปกลงมาแล้วก็ผู้ที่เป็นเช่นนั้นแนหะมันจะไม่น่ากล่าวไปบูชาหรือใครเห็นก็ยากล่าไปบูชาไม่ใช่หรืทั้งสี่คู่เนี่สี่คู่แปดบุคคลทั่นแหละที่ปฏิบัติเนี๋ยมีสี่คู่แปดบุคคล คือโซดาม a r k ดาผ ล, ลกิจารคาม a ก, กิจธารคาผลอานาคา m a r k อานาค้าผลร่าตมาราตาผลผู้ปฏิบัติเช่นั้นในสี่คู่แป ร, ร, ร, รผู้คนนทั่วไปหมดปฏิบัติเช่นนั้นแบบเป็ดไปได้ทั่วหมดคืออุบาสกอุบาสิกาพิชสุสามเณรเป็นทั่วทั้งหมดเหตุนั้น พระสงฆ์ในที่นี่จริงว่าเราสามารถที่จะทำให้เป็นพระสงฆ์ได้เหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ว่าตัวของเราเป็นสงฆ์แล้วข่าวนี้เราปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องจิตของเราไม่แวะไม่เวียนไม่ปรุงไม่แต่งจิตของเราสงบเยือกเย็นกิเลสไม่ผัวพันในขั้นดานของตน หมดจดบริสุทธิ์ก็เรียกว่าพระสงฆ์ความปฏิบัติจิงว่าเป็นไปเพื่อพระสงฆ์โดยแท้เรียกว่าปฏิบัติธรรมพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติธรรมนั่นแหละ้าพระพุทธเจ้าก็มารู้ตรงนี้นะ่ะที่จะรู้จกักที่จะรู้ตสศนูพระพุทธเจ้าก็มารู้ตรงเนี้ยนะพวกก็มา ฝึกหัดดัด ก, กายวายจใจขององค์ให้สงบเยือกเย็นนี่แหละถ้าสงฆ์ปฏิบัติตรงนี้แหละกายวายจใจของตอนนี่ให้โงเว้นจะบากประทําหลวงพ่อหมดก็ เ, เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาแต่ถ้าสงฆ์พูดด้วยหยุกไอหรือเกินว่าตามบทปาเลียนนูน่น ติวโนก็ไม่สาวอยู่ไหนอุชุ ป, ปติวโนไม่สาวอยู่ไหนเห mm hmm. มือนกับว่าเร า, เ ร, าเรื่องไม่ถึงเป็นแต่คําฝันฝันไม่ใช่ตัวของเราเสแล้วแท้ที่จริงว่ารวมในตัวของเราจรึงว่าพระธรรมคาสอนพระเจ้าทุกอย่างทุกบททุกบาททุกข้อทุกความมันต้องมีรวมมีสรุปรวมไป อย่างพุโ ท, ทโธตโมสังโคนั้นก็รวมว่าเป็นอันเดียวคือเป็นออกีรูตราวนัคโตนว่าอย่างที่ว่าวนั่นน่ตัวของเราก็ยิ่งมากายเรือลอยความคิดความนึกปรุงแต่งสรรพัดทุกอย่างโดยเฉพาะวรวมตัวของเราเรียกว่าคันหาคือมีรูปมนนีนามอย่างว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นิยาณ มารวมเราเป็นสองคือได้ได้ลรูป ก, กับนามลูป ก, ก, กับนาเขามารวมเันเป็นหนึ่งคือหัวใจอันหนึ่งถ้าใจไม่มีเสร็แล้วรูป ก, ก็จะหายหมดคือมันตายเมื่อใจไม่ได้ก็เกิดอีกใจคือเล่าให้ฟังเป็นใจคือตัวกลางที่ก็เกิดจากใจ มีของกลางเกิดขึ้นมาเท่ก่อนแล้วยังคอยมีสิ่งแวดน้อมอันนี้ก็อธิบายไว้เรื่องสิ่งแวดล้อมพ่วงข่วงงไปนั้นเป็นเรื่องอาการแต่รวมมาหัวใจนั่นแหละมรรคแตกก็มารวมกันหัวมันมีมันรวมหัวใจอันเดียวคือสมาธิอันเดียวจะเรียกว่ามรรคสมังคีนั่นรวมหัวอย่างนี้ ธรรมะคำสองพระเจ้าจึงจึงจะถูกเราเรียนมากรู้มากเรียนไปหลายรู้หลายก็พ่วงขวางแบบนั้นความปนนระสงค์มันรวมลงมาอันเดียวอย่างชาวโลกเขาทำลองดูเขาทำอยู่กับตามเหมือนกั น, นธรรมะหากินทุกสิ่งทุกประการค่าขายค่าสิ่งเล็กๆน้อยๆค่าเพชรข้าพลอย ถาขายทุกติ่งทุกอย่างก็ประสงค์เอาเงินประสงค์เพื่อความรวยเพื่อได้เงินมาความลุงอันนี้แหละเอามารวมมนกระจัดกระจายรยู้ว่ามีมดทุกทุกคนนะ่ะแล้วก็มารวมมึงต้องการคือต้องการความต้องการคืออยากได้เงินในเงินเอาไปทําไมเอามาเลี้ยงอัตภาพร่างกายไหนมันก็รวมเหมือนกัน เขาทำนานก็ถทำไปยังไงเนี่ยแต่ปลูกแต่หวานเป็นคกระทั่งเก็บเกี่ยวเอามารวมในลานนี่นกนเอามาฟาดมาหิจังกระทั่งว่ะเอารวมมลงยุง่งเอารวมมันยุ่งแห่งเดียวรวมยุ่งไปไว้ที่ไหนล่ะครับนี่ จนกระทั่งมาต่ําไปเขาสาราแล้วมา่งหงมแล้หมอกมารวมมาแห่งเดียวอะมารวมลงกายมารวมลงกินกินแล้วไปที่ไหนก็หายไปหมดไม่มีอะไรทํามากก็เช่นนั้นเหมือนกันที่พูดไปมากมากก็มารวมอันเดียวอันเดียวนั่นก็หายไปเหมือนกันไม่มี ไม่มีอะไรเป็นเหลือหรอคือท่านดับคือท่านดับศูนย์ทำไปเพื่อดับไปเพื่อศู์เพื่อสิน้นยีเลทั้งหลายมากมายอธิบายวปจนเหลือที่จะขนานานับโดนแล้วกบเพื่อละเพื่อถอนเพื่อทิ้ง ร, ร, ร, ร, ร, รู้แล้วไปรู้ทิ้งรู้ถอนรู้ละถ้ารู้เลยไปทิ้งไว้ถอนไม่ละมันก็ไม่เป็นประโยชน์มันรวมอย่างนี้ธรามาะคำสอนพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนะเราปฏิบัติธรรมะอย่าไปฟุง้งซ่านอย่ามันมากมายเกินไปถ้าเรารู้กำไ้ในจุดเดียวกับไว้นะั่นเท่าก่อน เป็นให้อยู่นพักหนึ่งซะก่อนขอให้รวมได้เลยก่อนแล้วกันเราพริจารณาวันข้าวคืนล่วงเราพริจารณาแต่อันเดียวน่ะเรื่องเรื่องมันไอเรื่องมันจะให้มันรวมมันนะมันรวมมันก็อยู่พักหนึ่งซก่อนแล้วพิจารณาอีกกพิจารณาของเก่าอ่ะเนี่ยไม่ใช่ของใหม่เรื่องจิตของเก่าอ่ะเน่ยเรื่องพุ้งซ่านของเก่าอ่ะเน่ยเรื่องําการ เกี่ยวข้องพวกพันธุ์ น, นี่ต่างเมื่อรวมไปแล้วกับหมดเรื่องมันอยู่อีกพักหนึ่งขอให้รวมได้อยู่อย่างนี้เสมอเสมอเถอะที่เขาว่าสมถายปัฒนานู่นใครก็อยากจเจริญนิพพานเขาก็จะสมถามันก็นไปได้สมถามันก็ไม่สงบมันจะได้อย่างไรไม่รู้จักถึงนิพพานซ้ำไม่รู้จักสมถาม ไม่อยากจะได้พัชนาจึงขอให้ยินดีขอใจกับความที่เราเป็นอยู่คือสมถะคือเราจิตของเราสงบเท่านั้นก็พอหัดภาวนาอย่าสะสมตักตวงเอาให้ตักตวงออกทเททิ้ง ให้สระปล่อยวางมันจึงเบาคันซ้ า, าสมตักตวงเอามันหนักไม่เป็นพรนาเจเลยแทนที่จะมาพรวนาให้มันเบาเลยกลายเป็นของหนักไปทุกสิ่งทุกอย่างลองคิดดูเถอะ าหากว่าเราสาสมความคิดความนึกความปรุงความแต่งโทสามนาทิฏฐิสตภาพทุกอย่างเกิดขึ้นมาในใจเรากอดไว้กรรมไว้เราซาสมไว้นั่นไม่ต้องเพราะหนาไม่ไม่ไมยากหรอกอยู่เฉยๆก็ได้เราขอเพัยง การภาวนามันต้องละสิ่งของวันั้นต้องทิ้งต้องถอนต้องปล่อยต้องวางจึงเรียกว่าภาวนามันยังค่อยเบามันยังค่อยสว่างเบิกบานพวามกิเหตทั้งหลายดังอธิบายมันนั้นห่มห่ อ, หอแล้วไม่เห็นตัวของเรา เมื่อไปเห็นตัวของเรามันจะรู้สึกว่ามันสะอาดสกระปกอยังไงอะตัวของเราเพราน่นไม่เห็นตัวของเราสกกระปอยู่จนดูไม่ได้แต่เข้าใจว่าใสะสะอาดงดงามย่เรื่อยไป้คนอื่นเห็นนะมันสกกระปกแทบลรมแทบตายไปแล้ว แล้ตัองเราจะไปเห็นตัวของเราได้ึงว่าให้มากรวดค้นตัวของเรานี่นะอย่าไปเอาอันอื่นมาพิจารณากรวดค้นพิจารณาเฉพาะจิตของเราเราคิดอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราคิดชั่วหรือคิดดีเดี๋ยนี่นึก เอาคำปฏิกรรมเอ า, าพุโทโธพุโทโธ น, น่ะให้จิตอยู่กับพุโทโธเมื่อจิตอยู่กับพุโทโธแล้วมันวางพุโทโธน่ะมันเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วไปพิจารณาดูจิตนอกจากเรานั่งพิจารณาแล้ระไงยืนเดินแล้วก็พิจารณาเหมือนกันนั่งนอนแล้วพิจารณาทั้งอิเดียโบทั้งสี่น่ะ ในเวลานั่งมันไม่ไม่ไม่มีเรื่องอะไรแล้วไม่มีเรื่องกระทบเับอในเวลาเดินมียืนเวลาเดินเวลายืนเนี่ยน่ะเวลานั่งทั่วไปทุกแห่งทั้งหมดมันมีเรื่องกระทบเหมือนกันน่ะคันตาหากว่าเราดูอยู่ทุกขณะจะเห็นเรื่องเหล่านั้นแต่ว่ากระทบเมื่อจิตของเราปล่อยเมื่อใจจริงเราปล่อยวางแล้ว เรื่องนะมันกระทบเห็นราคาเนี้ดูเรื่องอ่ะมันยังตรงไหนยังลรคอยู่ตรงไหนมันยังติดอยู่ตรงไหนมันเกี่ยวข้องอะไรตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจึงค่อยจึงค่อยเห็นจนมันชัดขึ้นมาได้จะละได้แล้วก็เข้ามาหาความสงบมาดีทีหนึ่งละได้ต้องเข้ามาาควมหาความสงบ พิจนาต้องพิจนาอย่างนี้จึงจะรู้เห็นตัวกิเลสจะจะรู้เห็นความยุ่งเหยิงรู้เห็นความเกี่ยวข้องของจิตไม่ใช่เราจะนั่งรับนั่งหลับตายตลอดวานข้ามเป็นรูปอย่างไงไม่ไม่ได้แล้วยวิ่งยาวด่างต่างที่ออกจยางนั่งภาวนานะตอนนั้นนะ่ะ แต่ว่าอย่าไปทิ้งแต่ไปทิ้งจิตทั้งนดจิตว่าให้แนวเน่ยมันยังค่อยเห็นแล้วค่อยชำระชำระไม่ใช่หมดทีเดียวชำระทีนี้แล้วมันยังชำระอีกกระทบครั้งนี้แล้วมันกระทบอีกนับครบ้างนนะบหนไม่ทวน แต่เราไม่ได้ปฏิบัติภาวนามันก็กระทบอีกอย่างนั้นมันมีอะไรกระทบทาให้โกรธให้หลงน่ะนะทำให้มัวเ ม, มาประมาทน่ะนะทําให้โกรธ ใ, ให้หลงเท่าเก่าแล้วนะเรื่องของเกา่าแต่นี่ยังไงแต่นี่ไปถึงตายยังไงทําตายเมื่อะไรมันก็กระทบกับของเกา่า มันมีอยู่เท่าเก่าแต่ว่าเราหลงของเก่าหลงเที่ยงเรื่องของเก่าะนะอ่านยังวนเรียนยนี่ไปแล้วสักทีเรียนไหวตาเกิดอยู่ไปแล้วสักทีเวียนว่าวตาเกิ ด, ก เ, เ, กดเกิดของเก่าเกิดทะลุน้ำนานี้เกิดมาของเก่าเกิดจากบิดามดาของเก่า แกเท่ากับของเกา่าตายก็ตายของเกา่าเรื่องเก่ากนะ่ตายก็ดีแต่ว่าเราหลงไปแล้วสักทีหลงอย่างนั้นตลอดพบตลอดชาติยังให้พิจารณาให้รู้เรื่องของเกาเอาละนั่งพอนาะย การทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาไดาย้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็ไม่มีคนอุปสมบทสอนทำก็ไม่ใช่ทำอย่างที่ถูกต้องเนื้อส่วนมากทำไปผิดผิดทุกๆุอันนี้นับว่าเป็นการดีที่สุดเราได้มาทำสมาธิภาวนา ถูกต้องตามทางเที่ยวพุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่าดนเนินตามทางสติปัฏฐานทั้งสี่เมื่อเข้าถึงสถานที่เช่นนี้ฝึกหัดแล้วเมื่อเกิดความประมาทขี้เกียจไม่สนใจไม่เอาใจใส่ นั่นเรียกว่าความประมาทความประมาทเป็นเหตุให้ทําความชั่ ว, ด, วด้วยประการต่างๆเมื่อประมาทเพิกเฉยก็โดยมเอาไหนในใจใส่จิตมุ่งไปในทางที่ผิดคิดในทางที่ไม่ชอบวุ่นวายสงสัไปในที่ต่างๆ ที่ท่านไดสมาธิให้จิตแน่วแน่นั้นก็เลยไม่แน่วแน่อนสักทีจึงควรที่จะสนใจอบรมพุทธปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4. สี่ัพิจารณากายหรือพิารณาเวทนาหรือพิจารณาจิตธรรมอะไรก็ได้ ทั้งสี่อย่างนี้ขอให้พิจรารณาแนวแน่ลงในที่นั้นเดียวก็ใช้ได้ทั้งนั้นทิ่ท่านว่าสีประการนั้นคือให้เลือกพิจรารณาดูว่าอะไรมันถูกต้องตามอัญญาสัยของตนแต่เมื่อพิจรารณาอะไรลงไปแล้ว ย่อมถึงกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นคือจะต้องหวางสิ่งนั้นๆจิตจะต้องรวมเข้าไปอยู่ค้องมันอันหนึ่งต่างหากอันนั้นเรเรียกว่าถึงสติปัฏฐานแท้